เท่าที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายย่อมจะพอสังเกตหรือจับได้ด้วยตนเองแล้วว่าคำว่าว่างนี้มันเท่ากับความดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูคำว่าว่างว่างนี้เท่ากับความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราว่างเท่ากับความดับไม่เหลือแห่งตัวตนตัวตนนั้น มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นไม่เห็นเป็นว่างเห็นเป็นตัวตนขึ้นมาเสียก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาด้วยกิเลสจึงไปยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ต้องแกล้งยึดเพราะมันไม่รู้มันจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองไม่ใช่เราต้องไปตั้งเจตนายึดหรือตั้งข้ออย่างนั้นอย่างนี้ให้มันว่ามันเป็นตัวเป็นตน เมื่อจิตประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมันรู้สึกต่อสิ่งต่างๆเป็นตัวตนไปซึ่งหมดเองไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องเจตนาอะไรถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเห็นของจริงคือความว่างนั่นแหละคือความดับไม่เหลือแห่งตัวตนฉะนั้น จึงได้กล่าวเพื่อเป็นหลักว่าวางนี้เท่ากับดับไม่เหลือแห่งตัวตนเพราะฉะนั้นเราต้องสนใจคำว่าดับไม่เหลือนี้กันให้ถูกต้องดับอย่างไรเหลือดับอย่างไรไม่เหลือดับมีส่วนเหลือก็หมายความว่ามันเป็นเพียงแต่เปลี่ยนรูป จากรูปหนึ่งไปสู่รูปหนึ่งรูปที่แรกดับไปมันก็มีเชื้อเหลืออยู่สําหรับเป็นรูปใหม่เป็นรูปอื่นอย่างนี้เรียกว่าดับเหลือคือยังมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เแล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งโน้นเรื่อยไปอีกทีหนึ่งก็คือว่าสติปัญญาหรือความรู้ธรรมะที่ยังไม่ถึงที่สุดนั้น มันจะดับความยึดมั่นถือมั่นได้แต่บางสิ่งบางอย่างหรือบางส่วนโดยเอกเทศเท่านั้นเองบางคนอาจเห็นว่าฝุ่นนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่ไปเห็นนกกระจอกเป็นตัวตนก็ได้ไม่ต้องพูดถึงคนเพียงเห็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนก็ได้และบางคนอาจมองเห็นต้นไม้หรือสัตว์ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ไปเห็นคนว่าตัวตนเข้าก็ได้ หรือว่าเห็นคนว่าตัวตนนี้บางทีก็ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วแต่ว่าจิตใจที่เป็นศูนย์กลางนั้นเป็นตัวตอนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามันดับไม่หมดมันดับบางส่วนเหลือเป็นตัวตนเหลืออะไรบางอย่างอยู่เสมอไปกระทั่งถึงว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตน แต่ว่าคุณสมบัติอะไรบางอย่างของจิตเช่นธรรมะนี้เป็นตัวตนขึ้นมาก็ได้หรือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งที่อยู่ทาวนเป็นอนันตการเช่นนิพพานธาตุนี้เป็นตัวตนก็ได้อย่างนี้ดับมีเชื่อเหลืออยู่เรื่อยจนกว่าเมื่อใดจะกว่าทิ้งไปหมดแม้แต่นิพพานธาตุก็ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้มันจึงจะเรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวตนหรือดับไม่เหลือแห่งตัวกูที่แท้จริงคำว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูนี้ก็คือการที่ไม่อาจเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นเองถ้าเป็นการปฏิบัติถูกต้องหมายความว่าเราปฏิบัติในทํานองที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาได้ ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าดับไม่เหลือแห่งตัวกูได้เหมือนกันการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นย่อมหมายถึงการปฏิบัติชนิดที่ตัวกูหรือความรู้สึกว่าตัวกูนี้ไม่มีทางเกิดอีกต่อไปก็แปลว่าไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาด้วยการกระทาที่ถูกต้องนั้น เท่าที่กล่าวนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้ทุกคนว่าคำว่าเกิดแห่งตัวกูเกิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องบิดามารดาแต่หมายถึงเกิดในห้วงความคิดนึกในทางจิตเท่านั้นจะเรียกว่าปฏิสนธิหรือจะเรียกว่าคลอดออกมาหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้ต้องหมายถึงปฏิสนธิหรือคลอดออกมาในความรู้สึกเท่านั้น คือในความรู้สึกของจิตเท่านั้นอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นเราฉันเป็นฉันขึ้นมานี่มันรู้สึกที่ไหนก็ขอให้เข้าใจว่ามันเกิดที่นั่นแหละการเกิดหรือการคลอดออกมามันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการเกิดนี้จึงหมายถึงการเกิดในทางใจไม่ใช่เกิดทางเนื้อหนังร่างกาย ต้องเข้าใจว่าการเกิดทางเนื้อหนังร่างกายแม้จะคลอดออกมาแล้วจากท้องแม่แต่ถ้ายังไม่มีการเกิดทางจิตใจคือไม่มีความเกิดรู้สึกว่ากูเป็นกูเราเป็นเราอย่างนี้แล้วและก็ให้ถือว่าการเกิดทางร่างกายนั้นยังไม่มีความหมายอะไรเลยยังเหมือนกับก้อนอะไรก้อนหนึ่งหรือดุนอะไรดุนหนึ่งเท่านั้นจนกว่าเมื่อใด จะมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตัวตนเสียก่อนเมื่อนั้นเกิดทางร่างกายดุนนั้นจึงจะสมบูรณ์คือในภายในมีความรู้สึกเป็นตัวตนความเกิดนั้นจำกัดความหมายอันแท้จริงอยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวตนนั่นเองเมื่อเด็กนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อใดมีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ในใจ เมื่อนั้นเรียกว่าเขาเกิดพอเขาไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนอย่างนั้นเมื่อนั้นก็คือเขาตายกลายเป็นดุนหรือเป็นก้อนอะไรทางเนื้อหนังอยู่ตามเดิมความรู้สึกอย่างอื่นไม่อาจช่วยให้เกิดความหมายว่าตัวตนได้จึงไม่อาจให้เกิดความหมายว่าเขาเกิดอยู่ได้มันจึงเท่ากับเขาตายอยู่แต่ประเดี๋ยวเดียว ถ้ามีอะไรมากระทบมีอารมณ์มากระทบแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดขึ้นมาอีกและประเดี๋ยวเขาก็ตายไปอีกถึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดหลายครั้งหลายหนการปฏิบัติเพื่ออยู่ด้วยความว่างนั้นมันก็อยู่ตรงนี้เองคืออยู่ตรงที่ปฏิบัติ อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในดุนหรือในก้อนนี้ในร่างกายก้อนนี้ดุนนี้อย่าให้เกิดจิตใจชนิดที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวเราขึ้นมาปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติเพื่ออยู่ด้วยความว่างใจความมันมีอยู่อย่างนี้